อือมันไม่ยด uh? ้น้ยาไม่ินได้ตนีามมีเสียงไม่ได้ิมันงมันต้องหันหนามามันึงได้เลยหันหน้าสิันหนาสิเขอร์เนี่ยแล้ก็มาเจาะเจาะไอ้สอ อน่ไรไม่มีเราเปิดฝาไม่ปกต่ปกติขันมันเ่มมากครับยา่ให้เต็มๆอย่านิดหน่อยที่จมี่ป่าดังคนทุกวันไม่ไีอะไรสามสิบกิโลได้ยินกันหมดเสียงมันทำลายเสียงกันเล แต่เร th hmm. ียนมาว่าเสียงคำมัดเนดเกินไปมันก็ทำลายเนี่ยเมือว่าเสียงรถไฟรถไฟเร่องะไรเอาจะเป็นที่เสียงรับวิชาจะดีจะท่าปฏิบัติไม่ได้เสียงรถยนดมากเสียงอะไรซ่งเสียงรถยนต์จรูดยังคอยใจเต้นยังคอยใจดี เหตอันหน้ของความหลงตัวเอง่วาม ล, งลงืมตัวเองเองอกมากถ้าพูดเกินเป้าคำหน้าของที่เด็กไม่ว่าท่านบ้านเราในการพิ่นดองไม่ไมีจิตกิกรรเเล่นเป็นๆมาเทียนนิสัยทางคำคำหน้าเทียนนิสัยเถิดเถิดที่ไหนไปที่หน้าดูชตีต่อที่ไหนไปที่นา่นา เทพาที่ไหนไปที่นั่นเป็นูถึงอบายมุขทำจิตใจให้ต่งลงมันยกตัวเองขึ้นไม่ได้มันจะมีแต่ปัญหาในโลกมนุษย์เราเพราะอำนาจของทิเบตที่มันบางคับมันมีอำนาจโดยตัวเจ็จเพราะมมนมีทางพอทะยานผู้น้าทิเบตทุกที่การันห็นโทษแล้วนำมาแสดงพวกเราเ็ายังไม่เห็นนั่นครู้ว่าทิเ เป็นภัยประามมันไม่รู้ดความจำรู้ดูสัญญาอิ่อยูการเดาการคิดการคาดแต่ไม่รู้ดูความจริงมันกระต o r อ่รททานบอกเออพอดีโนเลยเว่านมาเราลําบากนั้บนย้องห่มย้องให้กับพ่อแม่คเลสเสีวเสใพ่อแทอ่อนแอนี่แต่แ่คิเลสหมดเลยเฉ่ว่าพระในว่าคารวะ ถ้ายังตกอํานาจจนไม่หยุดยังไงก็ไม่พ้น้จะไปดูถูกใครล่ะมันเหนืนกันหมดผู้ติเจ้าสาวว่าคนพูดถึงการจำหนี่เ้ถ้าจะจำหนี้แล้วไม่ดีแต่ถ้ามันอยู่ถูกนะคำพูดตามความขัดความถี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆแต่โลกต้องยอมรับส่วนจำพูดอะไรใครรับเขาซ้อถูกให้ถูกพูดให้ถูกใจของเที่เหลือย่างนี้ ตัวเองไม่งามก็จะให้ผ้ชมบ่างามตัวองทาอาหารไม่อร่อยก็จะให้รู้ชมว่าอร่อยเขาก็ว่าอร่อยแล้วพอใจอทีท่เด็ดชอบหองตมกลอมอย่างนี้จริงๆนะเนี่ยวามเกลียดไม่ดีนี่ทำเยอะเพราะนั้นในโลกนี้จะสำอะไอันนี้ได้แต่ถ้าใครมีศรัทธาก็พอต้องหยุดส้องทนพอบุ่อพอบื่ ถ้ามันมีความเชื่อซะเลยนี้แต่สอ น, นเท่าไหร่มันก็ไม่สมใจฉันไม่ใ้่ฐานะ้าที่จะรับพระพุทธญาณหรอกตักทานความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้ามีจังเชื่อลงไปเลยชาตานี้เป็นชาตาที่แน่ใจตักทํานได้แล้วห น, นึ่งไม่มีต่อนี่ก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนู เราอำ น, นาจกิเึงนี้ไม่ว่ า, า, าท่านาเราเนยใครแก ว, ว่าท้าจะร้องให้อยู่นั่นแหละแต่ไปบน่นพวกไท ย, ยไปบ่นเพราว่าให้ไครตัวเองถอดถอนอำนาจของพิดออกพิดไทยจกถอนใจไม่ได้ก็ต้องเจอสิมันจะต้องพาาสิที่ทำางสงสัญญา้งหมดคยอำนาจกิเลสพาท่านเหลืทั้งหลายไปหมดโลกนี้จนไปทั้งโลกเลยคำพูดเดิมไปยินงไม่เลยน อจจะว่าอไรเรื่รองทานนีการดูการกินไปที่ไหนวัดไหนพรณีาาการงาน ม, มีแต่การเลี้ยงการกินกันตลอดเลยไอ้ส่วนสีนี้ยังก้าวทำ ไ, ได้ไหมนักขวาท่านจะว่าเหมือนกันมีความใจรักนักป่าท่านมาปลูกพระอิเนรัตจะเหมนกันการชำระที่เดไม่ค่อยมีหากการชำระที่เด็กมีนั่นจะเข้าถึงตรงสุด ใช้ตรงสายทางสร้างเดินเพื่อความสเรื่องเย็นทา ง, ง, าทงด้านจิตใจได้เป็นานดีนี้ไม่มีเม่วทามาเลา อ, นนอะไรจะมีะทำไปแต่ทำไปทาไปทาไปหาะทาเพื่อค่าที่ต้อง่อนะสติปัญญาต่อไข้ครผึถูกอะไรติดต่อนี่มุอที่เรียนจจะพาความง่ายเข้ามาง่ายเบทันทีะับประการทนี แต่นจรบอกว่าท่านจะเริ่มัสับทอะไรที่สิงทุกอยางเร็วก็ตามช้าก็สามแต่ทำได้เห็นไดถึงทาด้วยการสับที่เด็ดสุดๆนี่ถึงเนีน้สมากมายนี้ไม่เป็นทด้วยความอยาก้ที่เด็ดมันก็ผักเอาผักเอาผักเอาเวลาไป็นอย่างยาวนาอ้ทำไมจิตใไม่สงบมันจะสงบได้ยังไงจังนีต่อเนื่องกันเลยมากรือเศรษฐีไม่ต่อเนื่องมันเกิดจาะกันตลอดระยะมยา มาลองอับ้านอาหารนี้ต่อเนื่กันมันก็ไมู่ีพถ้าต่อเนืกันก็อีกนี้มันไม่ต่อเนืกันรัศติไปไหนทาไปย้งไรเขาเป็นีิธีมาอยู่วัดศรัทธาปันมาอยู่เขาดูดูถูกใครไห่พูดให้ฟังไม่เป็นทัมาอยู่แล้วเขพูดเรื่องโลกเหมือนล้มล้างไปตามภาษาของคนจามอัมเภอใจทั้ตไม่คานึงคนวมที่ว่ามานเพื่ออะไร มาเพื่อแดดทุจริตมาเพื่อชำระพิเลกอันนี้ถูกต้องนี่เป็นสายทางที่จะเป็นอุปนิสยัยของพื้นเทของสิตของ ไ, ม, ไ, ม, ไม่ดิ้ดติดกันไม่ไปพูดแล่าไปพูดไปเกี่ยวถิ่นหรือไม่ถิ่นไมเใช่ถิ่นต้องประกอบด้วยสติเมื่อสติการพูดการแสดงออกถิ่นหรือไม่ถิ่นแน่หรือไม่แ น, น่ประคับประคองตลอดเบื้องต้ น, น, นต้องประการประคองต้องอดต้องทนไม่ใช่อยู่ปจะไม่ ปล่อยตอำเภอไปเหมือนเราป่อยมาอ่ะผู้ผู้ก็หมือนกันปล่อยมาตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้ก็ป่อยไปเถอะก็ไม่ได้เลยเกิดขึ้นทำไมเสาะเนี่ยครับแล้วก็อย่างนี้เนี่ยเพียเกิดกเจะลองห่มล่องให้กระบวนกาเท่อคนอื่นเพื่อโลกดินแเกิดขึ้นมาเป็นเหลี่ยมโต๊ะกับคนเทวทูตเนี่ยต่อโต๊ะอาะอานหของธรรมจิตชาติเพราะไม่เชื่อธรรมสาระที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพวกเราไม่เชื่อถ้าเชื่อแล้วต้องเิดต่อที่ีย ถ้าจะตสอบไม่ผ่าจะตสอบก็ต่อเนี่องกับเรื่องทำอะไรทุกสิ่ทุกอย่างดืงอย่างนั้นดึงอย่างนั้นมีสติตประคับประคองนี้มัดสายทางดังนั้นของจิตแทบเดียวมันไม่ได้ถึงมนาทีนั้นมันไปแล้วจะให้บริกรรมไปแล้วไอ้เรื่องถามอนะไรสิ่งไหนภาวนาใจยังไงถามแต่เรไม่สนใจเผืนอถามไม่ต้องจดสอบรู้แล้วต้องปฏิบัติดูแล้วไม่ปฏิบัติไม่ได้อะไร มัน่จะประโยชน์อะไรบอกตรงๆเลยนี่ก็เคยถามมาแต่เวลานี้ก็ไม่ใช่ดิสกิอิโสพรรู้เรื่องสารภาว่าจพูดให้กันดาพี่น้องทั้งหลายนห้เพื่อนคมนาจันด้วยขัดปฏิทินิยนาด้วยผิดเ้ใจของตัวเองมันเฉลยกันหลายั้างวันท้างวันนั่นแหละภานาไปล้างนทีหนั่นหละมันไม่ผิด่อบตอเนี้แต่มันไม่ติด่อคับนี่ก็เห้นไ ทานกี่พรรสาไม่เกี่ยวนายดีจิตสามจิตพรรษาท้ากิตไม่ถึงจุดของความจริงของธรรมยังไงก็ไม่พ้นทางนันอยู่เพราะไม่เกี่ยวกับนักวันนักเรียนไปที่ไหมีอะไรก็มุ่งกุะเจ้งมาทำงานอะไรให้หมดวันหนึ่งก็ผ่านไปผ่านไปไดั้นี้หลังเลยีสานั้นวันนี้ที่กินมุ่งแจ้งมุ่แจ้งมุ่แจ้งวันเดียวเช่นั่นแหละคนเกิดมามีวันเดีม่กรจ้าก็มานับันไปถะไม่นับถึงนโลกก็ ไม่มีการเรียนศึกษาไม่มีสมมุติสมมุติที่ไม่มีสิ้นสุดไม่มีดีมุ obsession. ทให้มีเรียนกันเอาสมก็เริ่มมันก็ไม่มีเยอะแะไปเรียนไม่มีสิ้นสุดถ้าเรียนเรื่องที่เด่นอย่เดียวท่านกลับหัวเพี่ฟังไปให้นมันจบเลยแล้วความสุขจะมากน้อยแค่ไหนเอาเงิค่าดูไม่ต้องไปพูดกันเดี๋ยวคนนี้ให้ข้ามลงดู จึงบอกในหะ้เนเตือนมาทันมาอยู่ว่าครูบาอาจารย์ท่านจะเตือนเราก็เคยสั่งท่านจึงให้มาพูกคืนกันหากใดหากธรรมชาติแหงจิตที่มีวิเศมันไม่ไปเรื่องธรรมมันจะไปเร่งโลกลนลนลนลนมนล้วนมนล้วนมนล้วนในมาท่านเราท่านจึงตรีฝ่ายพรสงก็อยู่จึงเริ่งมีกฎละเบียบเสียงเช่นี้เพื่อผู้ตั้ง อ, อกตั้ง ใ, ใจเดินเจริญกำลังสายทา ง, า ง, า ง, า ง, างที่ เขาปฏิกจ ա กวรมใสารกัณฑ์ดเนินมาจนตลอดคุบาาจารย์เป็นน้าดับลำมาตั้งแต่พระแม่อาจารย์มั่นจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือหลวงตาคือหลวงตาทุนงค์อุนนิชแนหน่อเลยในปัจจุบันนี้แต่ท่านเลกับโลกแล้วทาไมเล่นโลกโลกจงในเวนานี้อีมิียังต้โทษทันที่โดยทั้งไปมีแต่ผลบาปผลกรรมเร่เลไม่รู้หน้าไม่รู้หลังอะไรเลยถ้าบอกว่าท่านมาเรา ท่านแบบแผ่นดินทนท่านมีเมตตาว่หยิดแล้วท่านมีเมตตาสงสารจนเมตการไม่เหมือนพวกเรานะยพรเห็นโลกมนุษย์จะเข้าฝืนเข้าไปโอ้ยสุดฤทธถึงระเทศนะนึกตึงโลกบกไหมพอดึงได้่ดึงเราดึงเราใครจะบ้าแล้วไม่สนใจดิจิ่สรหันต์ตรงนั้นนะก็เห็นบุตรชุนนะบุตรชนนไม่สนใสงสารพวกข่าวเดี้ก็ขียัดมันตรงนี้ ไม่มีอันนี้ไม่มีเลายได้ขายไ่ได้ใช่ไหมขายไม่ได้ก็ตบกอด้าตามได้ฟ้าฟบากันมาน้าทัควรใต้พอกก็ดีให้พูดกับตัวเองพูดกับคนอื่นพูดเรื่องดีเรื่องชั่วพูดเรือนันเรื่องนี้อันเดียวกันวกกันไปเวนกันมามีเรื่องเดียวเท่านั้นเรื่องจเรื่องโกรธเรื่องรักเรื่องเกลียดันี้ไม่ชังเกลียดทังกา ความที่พูดออกไปความที่เิดมาติดเป็นยังงถึงเลืเดือดลนนี้ทำไมจึงโกหกพกกลมตัวเองถึงขนาดนี้ล่อดูวิ่งใสดูทีๆเอาเห้เอาผลจับกันดูทีเพืจะแก้ตัวเองแต่นั้นจะปรับเลยเวป็นคนจินขนาดถ้าไม่จริงจะหวังที่เดี๋ของปองทาเป็นของจริงจิงจะขัดแย่ังงนั่นแหละทุกวันนี้จริงๆพูดโดยศาสนาเอง มีแตเรงที่ทีเียมบ้านเะ็มือหมดฐานะธรรมไมมีนะการบวชสข้มองกันไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้หนึ่งผู้ใดเพื่อจะเจ้าออกเสด็จออกบวชก็อูประวัติแล้ววอกออกมาก็ไม่มีแต่ไม้ก็ดีเสร็จท่านรู้ท่านเห็นแล้ท่านก่แสดงถึงน้ำใจผู้มีศรัทธาถึงจิตเป็บุญเป็นกุศลท่านก็ะสมเสให้ยิ่งขึ้นไาด้วยความร้องเรนในจิตใจนั้นจิตจะสะอาพระจิตสามันจะมองรู้ดีรู้ชัวให้จิตตระกกไม่มีขาก ชอบเลยแม้ว่าทันเวลามืดมิดติดตเลยความโลภติดคว า, าหลงติดมราคาต่างติหมดติดหมดเลยหลังทางเรียนที่จะความสงต้อเรนไม่มีพวกเราจป็นเริญไปในไปไนในหลอดสิ่กระจุแล้ ว, ก, วลก็ยังดีที่มาถึงวันดีแจ้าขาบุญทาอย่งนี้มาครับบุญชาถึงกาหนดทุกีทุกปีนั่นแหละประลึดถึงบุญได้ วันหนึ่งมันลถึงคนได้ที่ยึดเหนี่หนใจมีความร่นร่ะไม่เลือกหนึ่งมีแต่เรื่องอื่นเอาไปกินหมดนั่นแหละสึงห่างเหินจากขันข่าวายพวกเราเนี่ยรวมทัางผู้พูดด้วยิงห่างเหนเป็นอย่างนี้วาวนนี้นจะพูดทำไมฟังก่อนนะที่นี้ทำไมทุอะไรกระแตมันยี่มาที่นี่มีีมา ยังเข้าๆมันยังไม่นอนมันแสบต่ผมเข้านิดๆ่ไหยินมเท่านพูด่นี่เข้ามา น, น, น, นี่นา้ยเนี่ยพูด้ถามมันยินนี่ยใใสะสะ่างนี้ ไ, ไาคไม่ใช่ภามันมอรคนดีว่ทให้ครอ๋อฮึดังกันยุ่งเป็นตบ้านเ บ้านละคามมันห้าสี่โลบานเขาทำห้ากิโลบ้านเสียงข้ามหัวคนหนุ่มต่ตัวนี้มันติดหมดเลยติดหมดติดหมดเพนาะนั้นเนี่มันดูซีดเสียงเสียงมากตอนมันจะทำลายเสียงดีก็ ง, งันส่งเสริมเลเสียงไม่ดีเนี่งเสียงมากมันเสียงไม่ดีนะในโทรศัพเทบเนี่เป็นถ้าพูดแล้วคิดถึงโลกโอ้โหจึงมีที่ทำลายตัวพวกเรามากมายเดียวน พอเราัดออกมามันจะ็นเรืเร่องเจเจตรงหมดทนนี่ก็ไม่เคยดูหรอกคนพูดไม่ฟังจิ้มไม่อยาดูถึงนั้นสือิมเลยจะไม่อยากดูที่อยากดูมันจุ้งเสียเวลาเสียแสงตา้เสียหูหด้วยนีแต่ฟังเรื่องไม่มีสาละทั้งหมดเร็จคิดขั้นนี้มันก็จำไม่มาทันมาแล้นี่มาบวกพอคิดได้ไม่ได้เก่ง อ, อยังไม่บวกือมันก็เข้ากัน เลยใช่ไม่ได้ฟังเสียงหมอรำบุญไม่เป็นบุญเลยเสียงผู้เท่าดวงตาลำตาแดงอแกถ้านไปดูหนังไม่ใช่บุญเลยงาคบคิดกับกันอันนั้นมีแต่ขนเงินอกจากกระเป๋าขนเงินลงจากกระเป๋าไม่ใช่ขนออกจากกองคุกเลยขนเงก็ะเป๋าเล้วก็น้าแห้งไปเพราดูหนังเสร็จแล้วไม่มีเงินในก็เป๋าอ้าวยุ่งกันจริงเขาตัวตุกทะลาะกันนั่น มันก็ทุกข์เขาเรื่องนี้แหละนแต่มันโลกนิยมนั่ททำไม่มยมนินยอมนะบอกลูกบอกหลานตรงไหนตรงไห น, ไหนก้าเขาหนึบ่บรมสุขก้าเขาหนึยงมีญาณจังสรดเลยผลจากโลกออกจากของทุกอย่างเลยไม่หลอกไม่ล่อเลยมีแค่ที่เดีห ล, ลอกล่อพวกเราเนอะไม่ได้ดูถูกรวมทั้งพวกพูดด้วยมันจะเป็นข อ, อย่างนั้นถ้าได้โกหกก็นชอบเลยนนี้นมีเอเียบ ม, มับชอบนะ าการเปียเทียบใครอยู่ในโลกอันนี้ถ้า่างคนต่างก็เปรียบปันในนี้แตดนะมันเป็นอรน่องของตีเล็ตจริงๆนั้นจะา่าต้นขาตามมู่เลียนว่าไหมแต่ว่ามันทำรบายกัน